ยานแรกนะทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นโดยลําดับยานที่ฟังแล้วทรงจําไว้ได้ชื่อว่าสุตตะมายาญาณปัญญาที่สังวรตามที่ฟังเอาไว้ชื่อว่าสีลามายาญาณ น, นี้มาดูว่าปัญญาของผู้สำรวมด้วยศีละสังวรดังที่กล่าวมาแล้วในสีละมายาญาณทำการสำรวมตั้งอยู่ในศีลมีจิตตั้งไว้ด้วยดี ทาจิตให้เป็นเอกคตาด้วยสา ม, มารถแห่งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นไปแล้วในสมาธิจิตนั้นคือสัมปยุทธุกับด้วยสมาธิจิตนั้นอ่ะปัญญาอนั้นชื่อว่าสมาธิภาวนามายญาณือเป็นผู้ที่ฟังมาเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมเมื่อฟังมาเป็นอย่างดีแล้วสังวรไม่ได้ผู้ที่สังวรแล้วก็ทำจิตให้เป็นเอกคตา อันนะั้าจิตเตกับข้านเเขานิยมแปลว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอันที่จริงแล้วจิตทุกดวงมันก็รับทีละอารมณ์อยู่แล้วล่ะ น, น, นะแต่ว่าเน้นจิตที่ไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายด้วยอํานาจอากุศลเจตสิกจิตที่ไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายด้วยอาคุศนเจตสิกนั่นแหละเรียกว่าสมาธิจิตเนี่ยนะก็ข้สมาธิในที่นี้อมความรวมถึงอุปจาระและอัปปนาเนี่ย น, นะ ออ่วิธีวัดง่ายๆที่จิตเจตสิกรกระจายกระจายก็คืออกุศลวิตตกันะจิตที่สมาธิไม่ดีหรือไม่มีสมาธิคือจิตที่เป็นไปกับกามวิตตกพยาบาทวิตกและวิเหงสาวิตกอย่างเช่นถ้าเรามานัสิการเนี่ยถ้าเจริณาสุภาษณ์นะผมคนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นอะ่ะเป็นไปตามไม่ตรงกันข้ามคือ การมวิตกเนี่ยอันนี้แหละว่าสมาธิไม่ดีหรือเวลาเจริญเมตานะขอให้สัตว์มีความสุขอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนกันเอ๊ะทำไมคนนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไอพยาบาทวิตกมันก็เข้ามามาแทรกเป็นระยะระยะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละเรียกว่าเจตสิกเกลื่อนก ล, ล่นกระจัดกระจายแล้วเพอไม่ไม่เป็นไปตามแรไปตามแนวไม่เป็นไปกระร่องกับรอยที่ควรจะเป็นนะถ้าเป็นเมตามันควรจะเป็นอัพยาปาทาวิตก คิดให้คนอื่นเขามีความสุขคิดให้คนอื่นเขามีความเจริญนะหรือถ้าเจริญกรุณานะคิดให้เขามีให้เขาพ้นทุกข์นนะคิดไปคิดมาเอิมเป็นอย่างนั้นสดายก็ดีอย่งไงมันก็นึกเบียดเบียนเขาอีกจนได้เพราะนั้นอกุศลวิตตกนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้สมาธิเสียคือในขณะถ้าจิตเป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมมาสมาธินะเป็นไปกับกุศลได้อย่างตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่เสียหายให้ให้เป็น ถึงจะเป็นเนคขมวิตกนยก็เป็นสมาธิสายอสุภะถ้าเป็นอัพยปาทาวิตกก็เป็นสมาธิสายเมตตาถ้าเป็นอวิหิงสาวิตกเป็นสมาธิสายไหนกรุณาตัวองค์ฌานองค์ของสมาธิเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเช่นปฐมฌานเนี่ยนะจิตประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกเนี่ยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวก เป็นกูศวลวิตกที่อย่างต่อเนื่องเช่นเนคข ม, มวิตกก็เป็นเนคข ม, มวิตกที่ต่อเนื่องเช่นธรรมนานสิกขนกรสินก็เป็นไปกับกสินได้อย่างต่อเนื่องะถ้าเป็นเมตาก็ด้วยเมตตาจิตแผ่เจริญไปเรื่อยประสงค์ให้คนอื่นเขามีความสุขนะแต่ไม่ใช่เจริญไปเจริญมาก็เนึกตำหนิคนอื่นบ้างนึกชอบคนนั้นนึกชังคนนี้เจริญเมตตาบ้างชอบบ้างชังบ้างอย่างไงพวกนี้มันคดีละ จิตเจตสิกเปลื่นกลนกระจัดกระจายเนี่ยนะมันหมายถึงฟุ้งซ่านเนี่ยขณะใดที่จิตใจเป็นไปกับอกุศลวิตกขณะนั้นชื่อว่าฟุงา้งซ่านเนี่ยนะสังเกตเอาง่ายๆเลยนะไม่ไม่ต้องไปเอาลึกซึ้งขนาดเรียกว่าโอ้มันสับอะไรไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นเอาแบบธรรมดาธรรมดาก่อนว่าเมื่อเรากําลังเจริญกุศลอยู่เช่นอ่านพระไตรปิฎกนะแทนที่จะพิจารณาคําสอนนั่งกับเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดลึกซึ้งขึ้นใช่ไหม เรื่องงานเข้ามาแทรกไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นระยะระยะเนี่ยพวกนี้แหละเรียกว่าสมาธิไม่ดีแล้วเพราะอักเพราะอา ก, อกุศลวิตกมันมีกำลังเกินไปเนี่ยนะกุศลและวิตตกอ่อนกำลังเนี่ยนะทนตัวเน้นเน้นไปที่ตัวกุศละวิตตกนะสัมมาสมาธิคืออะไรคือการเจริญกุศละวิตตกอย่างคนที่เจริญพุทธานุสตินะก็คือวิตกัถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆ ตึกในวิสุทธิมรรคท่านใช้คำว่าตรึกแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าในคุณของพระพุทธเจ้าแต่ทุกบทไปแนะั้งแต่อรหังไกลจากกิเลสกำจัดฆ่าสึกคือกิเลสเนี่ยนะมาคิดถึงว่าไกลจากกิเลสอย่างไรกำจัดข่าสึกคือกิเลสอย่างไรหักสี่กรรมแห่งสังสารจักอย่างไรเป็นผู้ควรแก่สการะเคารพบูชาอย่างไรไม่มีความลับในการทำบาปอย่างไรไกลจากคนเลวอย่างไรใกล้ต่อคนดีอย่างไรคนดีเท่าไม่ทิ้งอย่างไรนะไม่เป็นไตในภพอย่างไร อเป็นผู้ทําลายบาปประรมโดยสิ้นเชิงเป็นผู้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญแล้วก็พิจารณาทุกทุกบทไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็พิจารณาในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเช่นจัก ค, ควรรู้ยิ่งจักรูปควรรู้ยิ่งจกักขูวิญญาณควรรู้ยิ่งเมื่อเราจเจริญพิจารณาตามนั้นไปเรื่อยๆในคุณของพระพุทธเจ้าผู้ทานุสติก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่มันไม่ใช่อย่างงั้นง่ายๆใช่ไหมไม่ง่ายอย่างว่าหรอกนะเนี่ย กำลังเนๆเดี๋ยนัคิดพุทธานุสติอารหังไปเรื่อยสัมมาสัมพุทโธเออคนนั้นเขาว่างไงนะเรามีสุระเรื่องนั้นนะเออพวงนี้เราจะไปโน่นนะอนนเอาละกันนี้มาเรื่อยพวกเนี้การมวิตกทั้งนั้นส่วนใหญ่กามวิตกเป็นอื่นที่มาแทรกเมื่อไหรนั่นแหละเรียกว่าสมาธิไม่ดีเนี่ยนะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะเป็นไปตามพุทธานุสติไม่สามารถเอาพุทธคุณมาตรึกมาพิจารณามาเจริญได้ ไม่สามารถละลืกไปในคุตตคุณได้เรียกว่าอากุศลวิตตกทั้งคําว่าจิตเตกขาตาจิตเป็นเอกขาตาไม่ใช่ท่องอยู่ในคําใดคําเดียวเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าเอาเช่นเจริญพุทธคุณว่าอารหังอารหังอารหังก็ท่องไปอย่างเงี้ยคิดถึงแต่คํานี้ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าคิดถึงคําอื่นแต่ว่าพอไหมถ้าเจริญพุทธคุณเท่านี้บอกไม่พอแตท่องเอาคําใดคําเดียวไม่พอที่จะรู้คุณของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้อยคําทั้งหลายเป็นตัวพันนาเป็นตัวอธิบายคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องตึกไปในคําต่างๆคําแล้วคําเล่าเช่นพุทโธพระทศพลเนี่ยนะผู้เป็นภาษาสดาเนี่ยแต่ละแต่ละคําแต่ละคําก็ตึกในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยนะถ้าตึกได้ยาวเท่าไหร่ก็ถือว่าสัมมาสมาธิดีเท่านั้นเนี่ยแล้วก็การพิจารณาหรือระลึกถึงพุทธคุณอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆ ธรรมะที่เราจะเห็นชัดคือเกี่ยวกับอริยสัจทั้งนั้นเลยเ น, นี่ะพระพุทธเจ้านั้นเป็นท่าอรหันเพราะแทงตลอดอริยสัจที่เป็นสัมมาสัมพุทโธเพราะตรัสรู้อริยสัจโดยที่ไม่มีใครสอนแะอริยสัจมาสอนได้อ่ะเนี่ยนะวิชาจารณะสัมปันโนตัววิชาก็คือรู้อริยสัจวิปัสนาญาณก็คือพิจารณาทุกขสัจเป็นหลักเนี่ยนะอาสวัคคายายนก็เป็นมรรคสัจเนี่ยนะ แล้วก็วิชาอื่นๆก็เป็นพิเศษที่เช่นปุเพนิวาสานุสติยังก็ระลึกถึงขันในอดีตก็คือทุกขศัพท์นั่นแหละจูตูปปตาตยานรู้จุติและปฏิสนธิรู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยนะถ้าเราเจริญไปอย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นพระพุทธคุณเกี่ยวกับอริยศัสตรม์มากขึ้นมากขึ้นส่วนจรณะจรณะก็คือการเจริญมรรคสัของพระองค์นั่นเองเนี่ยนะว่าพระองค์มีการเจริญอริยมรรคเป็นไปโดยลาดับนะคือ จารณะพระองค์เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะสุขโตไปดีไปสู่นิพพานก็นิโรศรไปดีไปด้วยอริยมรรคก็มรรคศัพท์ไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหากิเลสคือสมุทัยศัพท์ไม่ไปแบบปฏิบัติเป็นการมสุขริกานุโยคอต า, ากิระมัฐานุโยคแต่ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาคือมรรคศัพท์นะก็อยู่อย่างนี้เจริญพุทธคุณบ่อยๆยิ่งเจริญไปเท่าไหร่นะจะเห็นไม่พ้นอริยสัจสักข้อเลย ไม่มีพุทธคุณบทไหนที่พ้นอริยสัพท์เลยนีังั้นผู้ที่มีความเข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยนะเจริญพุทธคุณได้มากจะเข้าใจพระธรรมที่พระองค์ตรัสรุมมากเท่านั้นอนธิกฐรษัญญาก็คือการมนานสิการว่ากระดูกกันนะการมานสิการว่ากระดูกกระดูกซึ่งของเราจะสู้นกแขกเต่าได้หรือเปล่าไม่ทราบในสติปัฏฐานเนี่ยนกแขกเต่าเขาจเจริญอธิกฐสัญญาพระองค์สรรเสริญนะการจเจริญอธิกฐสัญญา คือการเจริญอธิกตสัญญาเนี่ยนะที่อย่างที่พอนิมิตเป็นกระดูกเกิดขึ้นเราก็ตกใจนี่ก็แสดงว่าเราไม่พร้อมจะเจริญอธิกตสัญญาท่านเราก็ให้เห็นคุณนะว่าการเจริญอธิกตสัญญานี่ดีนะเนี่ยนะดีนะเพราะว่าเจริญอธิกตสัญญาเนี่ยก็คือกลุ่มอาทีนวานุปัสนาเนี่ยนะกลุ่มอาทีนวานุปัสนาในสติปัฏฐานเนี่ยก็มีใช่ไหมบับผ้าหนึ่งเห็นโครงกระดูกเนี่ยนะ ที่ไม่มีเนื้อไม่มีเอ็นรัดเึงอยู่กระจัด ก, กระจายไปเก่าปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างเธอก็พึงน้อมเข้ามาสู่กายนี้และว่าถึงย่างร่างกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้พิจรารณากระดูกเนี่ยเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจรารณาว่ากระดูกเกิดเพราะอะไรเนี่ยนะความเกิดขึ้นของกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ความดับของกระดูกจริงอันเหตุเกิดความดับ แล้วก็พิจารณาอาศะท่าอาทีนะวะเพื่อที่จะตัดฉันธาราฆาในกระดูกถามจริงๆเรารักกระดูกหรือไม่รักหรือไม่รักกด็ดูถ้าจะบอกว่าตัด ก, กระดูกออกขาออกสักคืบหนึ่งเอาไหมเดือดร้อนแน่ไงแต่จริงๆแล้วรักมากแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นสิ่งใดที่เรารักนะแล้วเราจะรู้ว่าเรารักหรือไม่สังเกตว่าถ้าสิ่งนั้นจะเสียไปนะถ้าเราเฉยๆเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ติดใจอะไรมากมายแต่ถ้า สิ่งนั้นนะบอกคุณกำลังจะหมดสิ่งนั้นตายนะกำลังจะหมดสิ่งนั้นตายและใจแป๊วเลยนั่นแหละหรือว่าโหอัศาธาฆะกับสิ่งนั้นไม่ใช่น้อยเนี่ยนะก็ดีแล้วนะถ้ามีอธิกศสัญญาก็ควรเจริญน่ะนะแต่ว่าถ้าถามว่าอากุศลวิตกน้อยลงไปไหมถ้าเจริญได้อย่างนี้บอกใช่การ ม, มาวิตกลดลงใช่ไหมบอกใช่ความเพลิดเพลินในวตัตฏาลดลงไปเลยใช่ไหมใช่คุณยินดีแบบนี้ไหม ท้าไม่ยินดีแบบนี้ก็ก็ยินดีในวัตตะก็มีอยู่สองอย่างนั่นนะเนี่ยจริงๆก็กยินดีในการเกิดในภพใหม่ก็ยินดีในอะไรก็ยินดีในกระดูกอีกนั่นแหละเพราะร่างกายของคนเนี่ยนะตัวโครงร่างหลักคือโครงกระดูกเนี่ยถ้ากระดูกส่วนไหนมีปัญหาแม้แกระดูกขาข้างหนึ่งมีปัญหาก็แย่ละเนี่ยกระดูกแขนกระดูกเท้ากระดูกทั้งทั้งตัวนี่แหละ ต, ตัวสมาธิเนี่ยนะเน้นถึง การตั้งไว้ด้วยดีคํานี้เป็นเรียกสมาธิโดยโดยอ้อมปริยายแปลว่าโดยอ้อมคือสังวรเนี่ยนะปัญญาก็ตั้งตั้งจิตเจตสิกเอาไว้ด้วยดีอะ่ะคือถ้าถ้าเราสังเกตแยกจา ก, กตัวศีล น, นะศีลเนี่ยเป็นตัวที่ห้ามบาปห้ามบาปในอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้จิตเป็นไปไม่ให้จิตเป็นบาปในอารมณ์ต่างๆอันนั้นเป็นจิตของศีลทีนี้ทําไงกุศลจะยาวล่ะอันนี้แหละสมาธิ สมาธิคือการทําให้กุศ ล, ลจิตเกิดได้อย่างอย่างยาวเนี่ยนะผู้ที่เจริญสมาธิก็คือผู้ที่ทําจิตให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างในโอวาตปาติโมกคําไหมสะพปปาราประสะการนางการไม่ทําบาปทั้งกวงอันนั้นเป็นศีลการทํากุศลให้ถึงพร้อมการให้กุศลเป็นไปยอย่างต่อเนื่องอันนั้นเป็นสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ชําระจิตให้ขาวรอบได้จริงอันนั้นเป็น ปัญญาแต่นี้เน้นว่ากุศลจิตอะกุศลจิจ ต, ตะเอกัคคตาชื่อว่าสมาธิเนี่ยนะคือคําว่าสมาธินี้ถ้าโดยสับมันหมายถึงเอกัคคตาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ลักษณะนั้นประสงค์เอากุศลที่เกิดพร้อมกับเอกัคคตาเป็นเอกคคตาที่เป็นกุศลอันนั้นเรียกว่าสมาธิ ซึ่งวิธีการฝึกสมาธิก็สมถาตั้ง40กองใหญ่ๆนะ40กองเนี่แต่แต่ละกองนี่ก็กว้างขวางมากอย่างเมตานี่ก็มีอยู่500กว่าในอย่างงี้ยนะ528ในก็มีวิธีการให้เจริญเยอะแยะไปหมดนั้นศาสนานี้ถือว่าเป็นบ่อแห่งรัตนะจริงๆถ้าใครเจริญนะโหทาอีสามชาติก็ไม่มีจบนมมีสิ้นเลยนะ รัตนะที่ทั้งที่เป็นศีลทั้งที่เป็นสมถะวิปัสนาสติปทานสัมมรปทานอิทิบาทอินทรีพระมีเยอะแยะไปหมดที่จะให้เจริญเนี่ยนะกว้างขวางมาก